พวกท่านท้งหลายยังไม่เคยเข้ามาศึกษาธรรมะมีแต่ได้เรียนได้ศึกษาทางโลกเรียนวิชาอาชีพต่างๆหลายอย่างที่เป็นพระนวกะแล้วก็เป็นพระผู้บวชประจำแต่ถึงยังไงก็ต้องได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ แต่ครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากมีจะเข้าไปศึกษาจากนั้นท่านก็ประพฤติปฏิบัติให้พวกเราให้ได้เห็นแต่ถึงอย่างไรที่พวกเราจะมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้นั้นจะต้องอาศัยการได้เห็นได้ยินต้องได้เห็นและได้ยินเสียก่อน แต่อย่างผมนี่เหมือนกันก่อนที่ผมจะเขารทรับถือในองค์หลวงตาผมก็ได้เรียนได้ฟังได้ศึกษาจากหลวงปู่ล่าก่อนหลวงปู่ล่าเป็นผู้แนะนำเป็นผู้บอกกล่าวว่าองค์หลวงตาท่านเป็นผู้เคร่งครัดเป็นผู้หนักแน่นเป็นผู้เด็ดเดี่ยวอย่างไร ผมก็ได้ฟังเป็นพื้นฐานมาแล้วแล้วก็ผมก็ได้ฟังจากองหลวงปู่ล่าพอสมควรทั้งหลักของพระศาสนาทั้งหลักแนวแถวของหลวงปู่มั่นและแแนวแถวที่ปัจจุบันคือหลวงตาเป็นผู้สืบทอดจากองหลวงปู่มั่นได้มากที่สุดในบรรดา สิทธ์ทั้งหลายอันนี้คือองค์หลวงปู่ล่าท่านพูดให้ผมได้ฟังในสมัยเป็นเนนจนถึงเป็นพระ อ, อถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับกรอกเช้าก อ, อกเย็นลักษณะอย่างนั้นผมก็ได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นผมจึงได้เข้ามากราบมาศึกษากับเป็นจริงอย่างที่องค์หลวงปู่ล่าท่านได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นผมจึงได้วางตัว อยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลาถึงสิบสามปีอันนี้คือความเป็นมาแต่ทั้งนี้ทางนั้นผมไม่ใช่ว่าโอ้อวดหรือว่าขายกลูบาาการกินไม่ใช่อันนี้เป็นพูดตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรผมพูดอย่างนั้นเพราะการศึกษาจะมาพูดต้งตุนหลอกลวงโกหกนกันมันไม่ใช่เรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมและพวกท่านทั้งหลายผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกัน พวกท่านทั้งหลายจะไปนับถือครูบาอาจารย์องค์ใดบางทีท่านองค์นั้นไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้แสดงอะไรให้เราได้ฟังได้ศึกษาแต่เราก็เคารพนับถือในองค์ท่านก็อาจจะได้ยินจากทำคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างผมอย่างนี้เป็นต้นอาจจะได้ฟังเอ็มพสามของผมแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็อยู่กับครูบาอาจารย์ทำตัวอย่างไรคิดอย่างไรได้ศึกษาอย่างไร เรื่ออาจจะได้ฟังคำมเทศนาหรือได้ฟังพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกแต่ก่อนเราจรึงเข้าไปอยู่กับท่านแล้วก็เห็นอากัปกิริยาของท่านเป็นผู้นําประพฤติปฏิบัติเราก็เคารพนับถือเลื่อมใสพอเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาก่อนเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ศึกษามาก่อนไม่ได้รู้จากองค์ไหนมาก่อน เรามาอยู่เอาเลยเหมือนกับเรามาอยู่กับพระพุทธปฏิมากร อ, อย่างเนี้ยเผลอๆแล้วก็ดูแลปฏิบัติเพอเพออาจจะเกิดความประมาทท่านก็ได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ศึกษามาในทางลึกซึ้งในธรรมคำสอนท่านแสดงกับกริยาหรือท่านพูดให้ฟังเล็กน้อยเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้ฟังศึกษาจากทีอาา่อื่นครูบาอาจารย์องค์อื่นหรือหลักพระธรรมใน ทีละละเอียดเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือการเข้ามาบวชใน พ, พุทธศาสนาเนี่ยต้องเข้ามาเพื่อการศึกษาศึกษาเบื้องต้นก็คือสินสมาธิปัญญาอันนี้คือทรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะสินสมาธิปัญญาสินคำนี้สินสองร้อยี่บเจ็ดก็ดีสินอาทิชมาจาร์ก็ดี ถ้าจะรวมลงมาก็คืออยู่ในกลุ่มของศิลหพูดอย่างนั้นได้ศิลหประการผมก็เคยพูดในเอ็มีสามหรือแนะนำสั่งสอนว่ากล่าวไม่รู้ว่ากี่ครั้งตกกี่หนจนนึกคิดได้ว่าที่ผมได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์มากมายผมพูดอย่างนั้นพูดได้ว่าไม่มีองค์ไหนที่จะพูด ลงในเอ็มพีสามละเอียดทีท่วนเท่ากับคำพูดของผมได้ชี้แจงเรื่องสี่ห้าในเอ็มพีสามคำนี้ขอให้หมู่พวกเพื่อนไปศึกษาไปตรวจตาแล้วก็ให้ฟังดูจริงไหมผมมั่นใจว่าผมได้อธิบายเรื่องสี่ห้าอย่างละเอียดทีท่วนให้แกอุบาสกอุบาสิกา พุทธบริษัทสี่ให้ได้ยินได้ฟังว่าสินห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนต่อโลกอันนี้ก็คือสินและสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระถ้าประมวลลงมาแล้วก็คือออกมาจากสินห้าเป็นส่วนมากพอเหตุไรจึงพูด อ, ออกมาจากสินห้าก่อนจะเป็นสองร้อยยี่ิบเจ็ดได้ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าซะก่อนถึงหกเจ็ดแปด จนถึง227อันนี้ก็คือพูดแบบใครเถียงไม่ได้แต่ที่ได้มาพูดถึงเนื้อหาสาระเราวิเคาะออกมาจะเพียบทางโลกก็ดีคดีโลกกดีคดีธรรมก็ดีถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วสิลห้าของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้นั้นถ้าเปรียบเหมือนคดีโลก ที่คนเข้าอยู่ในคุกในตารางในเรือนจำทุกคนพูดอย่างนั้นเกือบจะว่าอย่างนั้นถ้าเราวิเคราะห์ถ้าพิภากษาอายการวิเคราะห์ออกมาว่าคุณทำผิดอะไรก็จะวิเคราะห์ได้ว่าอาจสงเคราะห์เขาในสินข้อที่หนึ่งคือการเบียดเบียนคือการฆ่าการทุบตีคนอื่นเขาก็จะเข้าว่าเป็นผิดสินข้อที่หนึ่งคือทำร้ายร่างกายเพื่อจะฆ่า ผลที่สุดก็คือฆ่าไม่ถึงกับฆ่าก็คือเบียดเบียนลังแกทุกตีไม่ให้คนนั้นอยู่ได้ด้วยความสงบผาสุกอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งถ้าเราวิเคราะห์ออกมานักโทษเหล่านั้นอาจจะผิดศินในข้อที่หนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแนวใดแนวหนึ่งคลุโทษแล้หูโทษศินข้อที่สอง อาทินนาธานหนักเบาถ้าเราวิเคราะห์ออกมาด้วยกฎหมายคดีโลกคนที่อยู่ในคุกในตารางอาจจะอยู่ในกลุ่มของสินข้อที่สองอาจจะไปขโมยของเขาขาโมยเรียกค่าทายเขาเบียดบงังทรัพย์สมบัติของเขาโกงซึ่งหน้าของเขาเนี่ยวิ่งราวสมบัติของเขาจย่างนี้เป็นต้น อ, อันนี้วิเคราะห์ออกมากระเข้ากลุ่มสินข้อที่สอง สินข้อที่สามกาเมสุวิชาัจาจย์ภาคผู้เยาวบั๊กทำไม่ถูกต้องถนกรรมเนียมประเพณีอันดีงามและลาบสาลวงล่วงเกินสามีภรรยาของคนอื่นบักอันนี้ก็คือสินข้อที่สามถ้าเราออกมาแล้วพิพากษาออกมาแล้วก็จะเข้ากลุ่มสินข้อที่3ข้อที่สี่มุสาต้มตุนหลอกลวงโกหกคนอื่น ถ้าเราวิเคราะห์คนที่ติดคุกติดตลงังก็อยู่ในตุ่มนี้ก็ไปเช่น้อยเหมือนกันหลอกลวงต้มตุ๋นยับยอกพูดไม่เป็นตามความเป็นจริงอันนี้กคือวิสิท์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมระยะพวกทา ม, มาค้าขายเกี่ยวกับของเสพติดหรืว่วเสพติดของเหล่านั้นจนขาดสติเมื่อขาดสติแล้ว ทำความชั่วเสียหายเพราะคนขาดสติถ้าจะว่าไปและสินข้อที่ห้านี่คือจัดว่าหมวดประเภทความหลงความหลงงมงายพรามันขาดสติทําความชั่วเสียหายได้นานับปกักการเพราะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าท่านยังว่าตัดความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเท่ากับพวกเรา ยังร่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งอยู่แปลว่าพวกเรายังยินดีในการกระทำความชั่วทางกายทางวาจาแต่ถ้าพวกเราตัดได้สินห้าแล้วแปลว่าเราตัดขาดในความชั่วตัวใหญ่ไปถึงตัวเล็กตัวจิว๋วได้ทั้งหมดทางกายทางวาจาไปที่ไหน สงบพรมเย็นเป็นสุขเพราะเหตุไรเพราะเรามีสินห้าอันนี้คือสินที่พวกเราวิเคราะห์ออกมาหลักของพรทธศาสนาเรื่องสินเพราะนั้นสินนี่เป็นพื้นฐานของคุณงามความดีถ้าคนมีสินดีแล้วอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ไม่มีโทษอันนี้คือสดีโลก ส่วนคดีทำเป็นผู้มีศีลแล้วไม่ได้คิดไม่ได้ฆ่าไม่ได้ขโมยเราไม่ได้ทําความชั่วช้าเสียหายทางกายทางวาจาของเราเราจะพิจรารณาทํำบทไหนต่อไปก็เป็นไปได้ดีเป็นไปได้วยความสงบราบรื่นเพราะเหตุใดเพราะว่ากายวาจาของเรา พอพุทชอบแล้วอันนี้คือความชอบในการเป็นอยู่คือศีลถ้าจะโทษเข้าไปอีกส่วนหนึ่งก็คือศีลห้าเนี่ยเป็นต้นเง่าของความชั่วทางกายทางวาจารนันถ้าว่าเป็นโคนและเป็นเง่าของต้นไม้แต่ถ้าเรามีศีลห้าแล้วแปลว่าเราถอนรากถอนโคนถอนเง่า ของความชั่วเราจะมีแต่ความสงบร่มเย็นผาสุขอันนี้ก็คือศิลส่วนสมาธิแนวความคิดในหลักของพุทธศาสนาถ้าเราจะรวบรวมอีกส่วนหนึ่งพวกเราจะพิจารณากายก็ดีพิจารณาเวทนาก็ดีพิจารณาจิตธรรมก็ดีในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม เราจะพิจารณาจุดไหนของกายของเวทนาของจิตของธรรมครูบาอาจารย์องไหนจะสอนวิธีการปฏิบัติให้กำหนดกายดูนะให้กำหนดเวทนานะให้กำหนดดูความนึกคิดนะให้กำหนดดูความกระทบของจิตนะอย่างนี้ถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วประมวลดูแล้ว ก็ไม่หนีออกจากสติปฐานสีอีกเหมือนกันสติปฐานสีเนี่ยแปลว่าเป็นเบื้องแรกหรือว่าเป็นแนวทางแห่งความคิดในการกำหนดหรือการเพ่งหรือการดูของจิตการกำหนดของจิตใจแนวความคิดวิถีทางเดินของใจเราจะนึกคิดอย่างไรมันจึงจะถูกต้องท่านบอกว่าให้อยู่ในสติปฐานสีลกาย กำหนดลมหายใจเข้าออกก็คือกายขาขวาพุทธขาสายโทก็คือกายให้มีสติอยู่ในกายการเคลื่อนไหวไปทุกอริยาบทอันนั้นก็คือมีสติอยู่ในกายส่วนเวทนาก็คือรู้จักเวลาเจ็บปวดหิวกระหายร้อนหนาวรู้จักการเคลื่อนไหวของใจใจได้รับสิ่งกระทบกระเทือนเรีว่าเวทนาทางจิต เวทนาทางกายเวทนาทางใจเราก็รู้ทั้งสองอย่างเวทนาทางใจก็คือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาคนดุด่าว่ากล่าวว่าร้ายเราเราก็ทุกข์ใจหรือเราได้เห็นสิ่งที่เราพัดพลากจากหลงไปเวทนาก็เข้าสู่จิตใจของเราเราก็ทุกข์ใจในเวทนาของจิตเวทนาของกายอันนี้ก็คืออยู่ในสติปัฏฐานสีเรื่องจิต ใจของเราเเบบนึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้คิดไปแต่ทางดีหรือคิดไปในทางชั่วไปทางกุศลหรือทางอากุศลไปทางบุญหรือไปทางบาป <c oughs> เร า, เาก็กําหนดดูใจของเราอีกเหมือนกันอันนี้เรียกวัดจิตตาลุ ป, ปัจฉนาสติปัฏฐานทำมาลุ ป, ปัจฉนาสติปัฏฐานก็คือทำที่เข้ามาสู่ใจิตใจของเราที่สิ่งที่มากระทบใจ เป็นส่วนดีและสวนชั่วส่วนดีแล้ววักกุศลส่วนชั่วแล้วอกุศลอันนี้คือธรรมมาหลงนี่แหละเราจะพิจารณาจุดไหนอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ตามจะสอนอย่างไรถ้าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วก็ลงในสติปัฏฐานสี่ในการกําหนดและในการพิจารณาในการประพุทธปฏิบัติ เรื่องของจิตเรื่องของใจการกำหนดเรื่องจิตใจอันนี้เรียกว่ามารวมลงที่สติปัฏฐานสี่จะพิจารณาที่ไหนก็ตามแต่ลงมาจุดนี้เหมือนกับสินห้ 5, าส5นห้าคดีโลกทั้งหลายทั้งปวงที่มีโทษก็ลงมารวมมาอยู่ที่สินห้าอันนั้นคือรากเงาอันนี้การปฏริบัติธรรมความนึกคิดการพิจารณาเรื่องต่างๆเหตุและผลต่างๆ เขามารวมอยู่ที่จิติปฐานสี่กายเวทนาจิต ธ, ธรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งทีนี้เรามาพิจารณาถึงอริยสัจสี่วันนี้ผมจะเรียงลำดับให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาที่ว่าหัวใจของพุทธศาสนานะเนีอขั้นตอนในการเป็นอยู่ในการแนวความคิดในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทีนี้อริยสัจสี่ ทุกสมุทไทยนิโรธมักแต่ตามให้จริงทั้งสี่ข้อเนี่ทุกสมุทไทยนิโรธมักถ้าเรียงตามลำดับให้ถูกต้องในตรงว่าสมุทไทยทุกมักน่โรธถ้าเรียงตามทำให้ถูกต้องแต่าตามภาษาของเราแต่อันนี้ภาษาบาลีท่านพูดย้อนไปกลับมา เหมือนกับข้าวกินอย่างนี้แหละทั้งที่เราบอกว่ากินข้าวภาษาเรากินข้าวแต่ภาษาบาลีบางคาถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วเราจะอ่านตัวข้าวกินฮเนือข้าวกินถ้าข้าวมากินเหล่าจะไม่จริงเราต้องกินข้าวฮอันนี้ก็เหมือนกันในสติปัฏฐานสี่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมักแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นคําว่าทุก สมุทยัยนิโรธมักทุกพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรทุกกายทุกใจทุกไม่สมหวังความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกนั้นคืออะไรนะเนี่ยแมไม่ใช่ทุกขึ้นมาเฉยเฉยโดยไม่มีเหตุไม่ใช่มันต้องมีเหตุซะก่อนมันจึงทุกสมุทยัยนิโรธคือความดับทุกมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกแต่ตามไม่จริง ต้องเรียงลำดับว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดในเมื่อทุกเกิดแล้วต้องเอามักมาประพฤติธปฏิบัติมาเดินมาแก้ไขทุกเมื่อแก้ไขทุกแล้วเ อ, อรู้จักหนทางแล้วดับทุกแต่แล้วนิโรธคือความดับทุกนั้นจะเกิดขึ้นนั่นแหละตามขั้นตอนเ อ, อจนถึงวิมุตติยาาทัศน์ หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยอริยสัจสี่เพราะนั้นผมจะอธิบายให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังคำว่าทุกคำนี้เหมือนกับเสี้ยนเลือดหนามต่ําฝ่ามือของเราเสียบฝ่ามือของเราขึ้ น, น้ําเสียบฝ่ามือของเราอันนี้แหละคือทุกทีนี้ถ้าจะเปรียบเทียบภายนอกก็คือแค่นั้การ ม, มักกิเลส ก, ก็ิีราคะก็ดีโทสะก็ดีโรคโกดโสงก็ดีเข้ามาทิ่หมหัวใจเราบางทีเราก็ ซึมเศร้าไปเหมือนกันพราะกิเลสเหล่านั้นเข้ามาต่ําจิตใจของเราอันนี้ก็คือกิเลสสุโมทยัยเหตุให้เกิดทุกข์คือการ ม, มาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันห า, หาการ ม, มาตันหาคือความอยากในกามภวะตันหาก็คือความทะเยอทะยานกามคือความรักความใคร่ภาวะตันหาก็คือความอยากวิภวะตันหาก็คือความไม่อยาก ความไม่อยากคืออะไรไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอะอันนี้ก็คือมันก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันพอความไม่อยากอความอยากก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันอยา ก, อ, กาายอีกแนวหนึ่งความไข้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งอีกนี่แหละเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้แหลยกว่าสมุทยัยเหตุให้ทุกข์เกิดในเมื่อมันเกิดทุกข์แล้วสินะและก็มรรคเราจะเอาอย่างไงเนี่ยเมืเ่อทุกข์มันเกิดแล้วให้ว่า ทุกอืมสมุไทยสมุไทยคือเหตุทห่ทุกเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วคือเหมือนกับเสี้ยนคือสมุไทยเนี่ยมันตําฝ่าเท้าหรือฝ่ามือของเรามันเป็นเสี้ยนแล้วก็เกิดทุกข์เลยพอเสี้ยนต่ํามือมันทุกข์ไหมมันเจ็บไหมมันปวดไหมมันทุกข์มันทุกข์แล้วจะเอาอยัางไงเลยเราก็ต้องหาเข็มหรือหามีดมาผ่าออก นี่แหละอันนี้คือมัดเห็นเดินมัดเข้ามาวิธีการผ่าผายยังไงวิธีบ่งบ่งออกอยจะในที่มันหนามจะมันหนามเล็กก็ใช้เข็มบ่งออกอวิธีการบ่งทํำยังไง น, นี่แหละมัดเห็นวิธีการเดินมัดทํำยังไงหาอย่างไงแล้วจะแก้ไขยังไงทําอย่างไรนี่แหละคือมัดที่โรดเมื่อถอนหนามออกแล้วเสี้ยนออกจากฝ่ามือแล้ว มันก็มีความสุขเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเยนะ่ยมันออกจากฝ่ามือของเราแล้วนี่แหละอันนี้ว่าที่โรธคือความดับทุกข์อันนี้ก็คืออริยสัจสี่พวกเราก็จะต้องในพิจารณาอีกเหมือนกันจะติปฐานสี่อริยสัจสี่แล้วก็มรรคแปดมรรคแปด ที่พระพุทธเจ้าวางาไว้คือจะทำยังไงที่จะเดินมาสู่ผนทางที่ว่าแก้ไขที่เลดเหล่านี้ออกจากจิตใจของเราให้ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นถ้าว่าคนเราเป็นคนโง่ไม่ฉลาดแล้วจะแก้ไขสิ่งต่างๆได้ไหมไม่ได้ สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบไอ้ท่านบปัญญาเห็นชอบไม่ใช่ปัญญาเห็นผิดนะปัญญาตอนนี้มันทางเห็นผิดด้วยทางเห็นชอบด้วยถ้าเห็นผิดก็คือไปประพฤติ ท, ทางช่วยช้าลามกเสียหายอันนั้นเลยว่าปัญญาเห็นผิดใช่สัมมาทิฏฐิผิดสัมมาทิฏฐิชอบก็คือเราพยายามเอาคุณงามความดีพยายามออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะ อันนี้แปลว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือดําริชอบดําริที่จะออกจากกามดําริที่จะออกจากความชั่วต่างๆที่ความชั่วเสียหายในเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมีทั้งราคะมีทั้งโทสะมีทั้งโลภโกรธหลงในจิตในใจเราก็พยายามดําริออกจากกิเลสเหล่านี้มันมีแต่เครื่องเศร้าหมองใ น, ในจิตในใจ อันนี้ว่าสัมมาสังกปะดําริชอบสัมมาวาจาเาจรจาชอบคือการพูดของเราพูดยังไงจึงจะเป็นวาจาที่เหมาะสมการอยู่ด้วยกันใช้วาจาอย่างไงว่ากล่าวอย่างไงแนะนํายังไงสั่งสอนอย่างไรเในฐานะที่หมู่พึ่เพื่อนควรกล่าวอย่างไงถึงจะไม่เป็นมิจฉาวาจาคือวาจาที่ไม่ชอบ สัมมากรรมันตะการงานชอบเราทำยังไงการงานของเราเราเป็นพระเราควรทำหน้าที่อย่างไรในฐานะที่เราเป็นพระเราก็ต้องรักษาสิลงแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันนี้คือหน้าที่การงานชอบของพระสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ เ, อเราไม่หลอกลวงเขาไม่ต้มตุ๋นเขาไม่โกหกเขา เราเป็นสัมมาณะเราบินธบาทอย่างไรเลี้ยงชีวิตของเราด้วยปัจจัยสี่เราต้องสารวมเราต้องระวังและจะไม่ทำสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายอันนี้เระยกว่าสัมมาอาชิวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรชอบคือพยายามเพียรพยายามเพียรผ่าเพียรออกจากความชั่วเสียหายสัมมาสติคือตั้งสติชอบตั้งสติให้มั่นคง ถ้าคนมีสติมั่นคงทั้งแปดข้อใน่กอรู้สึกว่าจะอยู่ได้หรือว่ารู้เท่ารู้ทันปฏิบัติตนได้ดีถ้าพวกเราไม่มีสติชอบเหมือนกับคนเป็นบ้าอย่าง น, นคนขาดสติพวกเราคิดดูสิจะมีสัมมาธิฏฐิได้ไหมจะมีสัมมาสังกัปปะได้ไหมวายจา จ, จะพูดถูกไหมมันไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าขาดสติ สมาสัมมาสตินี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอระลึกสิ่งที่ควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องอคนมีสติต้องเอตรงรู้ได้จะมีสติแล้วก็ต้องมีปัญญาสมาธิฏฐิบวกเข้าไปด้วยและสมาสมาธิเนี่ยคือจิตใจตั้งอยู่ในความสงบเมื่อจิตใจของเราสงบด้วยสติสัมปชัญญะ เมื่อเราเอาสติสัมปชัญญะกำกับจิตใจของเราใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละทีนี่แปลว่ามรรคทั้งแปดนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสมาสมาธิแต่เราจะทํำยังไงที่นี่สมมาสติสมมาถ ส, ถสมาธิจนถึงสุดท้ายเนี่ย เราจะเดินทั้งแปดขาอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้เดินทั้งแปดขาเดินสมาธิสิสก่อนอแล้วสมาสังขปะาวายามะสติสมาธิเราจะเดินทั้งแปดอย่างพร้อมกันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่คือสมาธิิถ้าจะเปรียบที่เราเหมือนตาของเรานะเราจะเห็นได้ยินาจากนั้นเราก็มีเครื่องไม้คือมันอยู่ในตัวของเราทั้งหมดทั้งแปดอย่าง อุปกรณ์ในการเดินทางอยู่ในตัวของเราจนถึงหัวสมาธิคือจิตใจแน่วแน่มั่นคงในความเพียรความพยายามอยู่ในตัวของเราเสร็จในมรรคแปดนั้นเ อ, อไม่ใช่เลรอเดินสมาธิตีสก่อนสมาสังกปวาจาคำวันโตไม่ใช่อย่างที่พวกเราพิจารณาศินห้าอันนั้นศินห้านะี่คือศินจำรวมกายวาจาแต่ตามไม่จริงถ้าศิน ก็ย่นย่อออมาหาใจอีกเหมือนกันถ้าศินห้าประการถ้ารักษาใจของตนเองอย่าคิดไปในทางที่ชั่วเออถ้าเราคิดเราเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนที่มันเสียหายเราห้ามใจเราเอาไว้เมื่อห้ามใจเอาไว้ศินห้าข้อที่หนึ่งก็ไม่ต้องทําเพราะห้ามใจตัวเองไม่ให้ทําแล้วมันจะทําได้ยังไงเมื่อใจเราไม่อยากทํา ข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็ห้ามใจตัวเองทั้งหมดสรุปแล้วก็คือศีลอยู่ที่ใจอีกเหมือนกันนี่แหละคือรักษาใจตัวเดียวเท่านั้นแหละเรื่องศีลห้าเรื่องสติปัฏฐานสี่ก็เหมือนกันมันรวมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเอาใจไปกำหนดสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมออกมาจากไหนออกมาจากใจอีกเหมือนกันเออเอาอะไรไปกำหนดกาย เอาอะไรไปกาหนดเวทนาเอาอะไรมากําหนดจิตเอาอะไรมากําหนดธรรมธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอะไรที่มากระทบจิตมันก็อยู่ในใจอีกเหมือนกันแล้วอริยสัจ ท, ทุกสมุทัยนิโรธมักอย่างที่ว่าทุกมันเกิดมาจากไหนใจเป็นผู้รับรู้ใช่ไหมใช่ใจเป็นผู้รับรู้ออกไปจากใจใช่ไหมใจรับรู้ใช่ไหมทุกสมุทัยเหตุให้เกิดทุก มันออกมาจากใจใช่ไหมเอ่มันออกมาแล้วมันกระทบเข้ามาหาใจใช่ไหมเหตุให้เกิดทุกข์การมาตัฏฐานาพวัฏฐานาวิภาวะฐานาใช่ไหมออกมาจากใจของเราใช่ไหมไปให้ความสําคัญในเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นที่กิเลสจะเกิดขึ้นมาได้เพราะการมากิเลสใช่ไหมอันนี้ก่อชัยออกมาจากใจอีกภาวะฐาหาวิภาวะฐาหาเหตุให้ทุกข์เกิด สมุทัยเหตุในทุกเกิดมรรคมรรคก็คือมรรคแปดอย่างที่ว่ามรรคแปดเดินทางพิจารณาด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรามีศีลสมาธิปัญญาดีแล้วแน่วแน่มั่นคงแล้วเราก็กันกรองจิตใจของเราตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ เพราะสมาทิฏิสัมมาสังกัปป ว, วาจากคมนตัวอชิโวไยโมสติสมาทิอันนี้คือศีลสัมมาธิปัญญาที่จะชาระใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาได้กระวมมักพระคือเป็นหนทางที่จะชาระจิตใจจนถึงให้วิโรธที่ความดับทุกข์ไปได้อันนี้คือหลักของพุทธศาสนาถ้าจะพูดไปแล้วมันโยงใหญ่หากันทั้งหมด แต่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะว่าไปแล้วทั้งทุกสมุทยัยนิโรธมักมักแปดก็ดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านจะงให้มาพิจารณาม้วนเสือลงมาหาไตรลักษณ์อีกที่นี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาตัวนี้เป็นตัวสรุปบทสุดท้ายเลยจันีอในความเห็นของผมนะ แต่บางองค์ท่านก็อาจจะสรุปบทอื่นแต่ผมว่าบทสุดท้ายเนี่ยคือบทใหญ่ที่สุดก็คือให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นตั้งแต่สินห้าขึ้นมาตลอดถึงสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอริยสติทุกสมุทัยนิโรธมักมักแปดสัมมาทิฏฐิซ้ำ ม, มาสังกัปโปจนถึงสัมมาส ม, มาธิเมื่อย้อนรวมลงมาแล้ว สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ความว่าไม่เที่ยงจุดนี้คืออะไรเราจะพิจารณาแต่ภูผาป่าไม้สิ่งภายนอกร่างกายสังขารร่างกายภายนอกความแก่เจ็บตายของไม่เที่ยงะ น, นั้นก็ใช่แต่ถ้าย่นย่อเข้ามาสู่ใจแล้วใจของเราเนี่ยเราเห็นได้ทุกขณะจิตเลยแต่เนี่ยสิ่งไหนไม่เที่ยง เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วเดี๋ยวก็คิดพอใจเดี๋ยวก็คิดไม่พอใจเดี๋ยวก็คิดบาปเดี๋วก็คิดบุญมันคิดอยู่ในจิตในใจของเรามันสร้างมโนภาพวาดภาพอยู่ตลอดไปเรื่มเวลาสติของเราจะทันหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราสติไม่ทันมันก็วาดอยู่ตลอดเวล่มเวลาถ้าสติเราทันเป็นบางครั้งเราก็จะรู้ได้ว่าเออติดของเราเนึกคิดเรื่องอะไร แต่บางคนบางท่านก็ถึงจะมาภาวนาก็อะร้องหมร้องให้เพราะบางทีตัวเองว่าตัวเองภาวนานดีแล้วทำใจให้มั่นคงแล้วแต่พอมาสิ่งไหนที่มากระทบเท่านั้นแ่ละจะทานวันไหวร้องหมร้องให้อไม่เป็นเรื่องก็มีอยู่มากต่อมากเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราเนี่ย มันไปวาดมโนภาพไปรับภาพไปรับสิ่งภายนอกเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเออไอ้ว่าสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงเป็นอะไรจังสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่เที่ยงทั้งภายนอกไม่เที่ยงทั้ภายในสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะจุดนี้นะบอกไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเป็นธรรมะที่ขั้นสูงสุด ในหลักของพุทธศาสนาวธรรมะอนัตตาเนี่ยท่านพิจารณาให้ใไขควรไตร่ตรองด้วยเหตุและผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังอยู่แล้วเมื่อเป็นอนิจจังมันก็เป็นทุกขังเมื่อเรารับรู้เป็นทุกขังนะออนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรเพราะใจของเราเนี่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ ดำเดียวพวกขาว อ, าอยู่ในจิตในใจของพวกเราถ้าเรามีสติมหาสติมหาปัญญาแ<ม>ปลว่าไม่เผลอเสลยนะ่ะเราจะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดในจิตใจของพวกเราในเมื่อเราพิจารณาเห็นจุดนี้แล้วมันก็นเหมือนระเบิดนิวเคลียร์นิวตอนหรือปรมนูโยนทิ้งลงเข้าสู่ มนโนคือใจของเราใจของเราเปิดไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านั้นรู้มาแล้วพิจารณามาแล้วมันมารวมอยู่ที่ใจพอมารวมที่ใจใจของเราเท่านั้นเองไปให้ความสําคัญในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกอยูทุกวันนี้ก็เพราะใจของเราไปให้ความสําคัญใจของเราไปให้ในความหมายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวก็ขาวเดี๋ยวก็ดำเดี๋ยวก็เศ้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใส เศร้าหมองเน่ยคืออะไรคือใจของเราไปพบอารมณ์สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันพองใสก็คือผ่องใสแบบกิเลสอีกถ้าพองใสโดยธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรม น, นันก็ผ่องใสในระดับหนึ่งที่ว่าเกิดยานะเกิดฌานยาณทัตนะเกิดขึ้นฟะฌานถึงจะพองใสยังไงมันก็ยังแฝงด้วยกิเลสอีกถ้าว่าทำลึกกว่านั้นลงไปเ้่านั้ทําทถาล่มทลายลงทั้งหมดเลยไม่ยึดมั่นถือมั่น ถึงจะเศร้าหมองก็ดีฟองใสก็ดีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกให้พิจารณา ถ, ถึงอนัตตาจุดนี้ในเมื่อทิ้งขนาดนั้นแล้วอันไหนจะเกิดขึ้นนั่นแหละที่เมื่อเราปล่อยวางทิ้งทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือธรรมธาตุ ธ, รรธาตุที่เป็นธรรมเกิดขึ้นในจุดนั้นเหมือนกับเราทิ้งความโง่ของเรา สิ่งที่เราไม่รู้เราเรียนรู้แล้วความฉลาดมันเกิดขึ้นในจุดที่ความโง่นั่นแหละมันอยู่ในจุดเดียวกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะธรรมะทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ผมได้พูดมาตั้งแต่สินห้าแล้วก็จะติปฐานสี่ปริยศั์สี่มักแปดไตรลักษ ผมได้เรียงลำดับให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกเราจะยึดอย่างไรทีนี้เมื่อเราได้ฟังอย่างนี้แล้วะจะให้ผมทำยังไงหลวงพ่อจะให้ผมตั้งต้นที่จุดไหนคือการตั้งต้นตั้งจุดเริ่มต้นเราต้องมองพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าเรามองครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็ต่างองค์ก็ต่างได้ของท่าน ความีมากมากมายหลายๆอย่างตั้งสติด้วยวิธีเบื้องต้นอย่างไรถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็ยึดแนวแถวที่เป็นด้วยสติด้วยปัญญาขององค์ท่านแต่นี้เรายึดบ ร, รมครูของพวกเราคือพระพุทธเจ้าเป็นหลักคือพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตัดจรูธำท่านทํำยังไงนี่แหละ เป็นกุญแจดอกแรกที่พวกเราจะต้องศึกษาจากนั้นพระ อ, องค์เมื่อได้ตัดสรู้แล้วท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้แก่สิกยานุสิทธิ์ทั้งหลายในรายละเอียดอันนี้พวกเราก็จะต้องศึกษาอีกเราก็ไม่ใช่ว่าจะทำตามพระพุทธเจ้าเอาใช่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแต่เมื่อท่านได้ตัดสรู้ทมแล้วท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านก็แนะนาสั่งสอนเวนยสัตว์ อุปนิสัยแตกต่างกันและท่านก็นแนะนําสั่งสอนจึงมีพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรร ม, มกะขันให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอแล้วก็ท่านทํำยังไงนี่แหละพเรายึดแนวของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้ก่อนคือท่านนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกมีความสัมปะชัญญะ คือความรู้ตัวในขณะที่ลมเข้าในขณะที่ลมออกสรุปแล้วก็คือมีสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวในขณะที่ลมเข้ารุน ล, ม, ลมออกนั้นนี่แหละคือกุญแจดอกแรกที่พวกเราจะต้องข้ามไม่ได้วางไม่ได้มองข้ามเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในการประพฤติธปฏิบัติธรรมพวกเราต้องยึดหลักตัวนี้เป็นหลักถ้าพวกเรา ไม่ยึดหลักตัวนี้เป็นหลักแล้วพวกเราจะหลักลอยจะไม่มีทำอะไรจะไม่เป็นชิ้นเป็นอนควาหน้าขวาหลังตะคุบซ้ายกับตะคุบขวาองนั้นว่าอย่างนั้นองนี้ว่าอย่างนี้แต่ถ้าพวกเรายึดแนวแถวเบื้องต้นไว้ก่อนคือมีสติสัมปชัญญะสติของเราแต่ละความสงบเยือกเย็นเป็นพื้นฐานพอสมควร จิตใจของเราไม่หิวไม่โหยไม่กวนไม่กาวายไม่ะวาพวกับสิ่งภายนอกทีนี้เมื่อใจของเราอยู่ในความสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเราจะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาอันไหนก็เรานำมาพิจารณาได้ทีเพราะพรองค์จริงท่านแนวแถวของพุทธ จุดนั้นท่านก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดว่าท่านได้พิจารณาอะไรแต่ท่านจะพูดเป็นแนวของพุท ธ, ธะอันนั้นคือปัญญาของพุท ธ, ธะจะเหมือนปัญญาของสาวกะคือสาวกของพวกเราเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้แนะนําเป็นแนวทางให้สาวกะคือสาวกของพระ อ, องค์เดินตามอย่างไรแต่ส่วนพระ อ, องค์นั้นพระ อ, องค์ได้ตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพต น, นั้นพระ อ, องค์นั่งสมาธิ จิตพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นกุญแจดอกแรกอย่างที่ผมได้กล่าวจากนั้นพระ อ, องค์ก็เมื่อจิตสงบแล้วเกิดฌาน ญ, ญาณทัศนะคือยาณก็คือวิชาอันหนึ่งเกิดวิชาอันหนึ่งในการภาวนาของพระ อ, องค์จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ระลึกชาติผลหลังได้อันนี้ก็คือเป็นบทแบบหรือว่าเป็นบท ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาว่าหลักของพุทธศาสนานั้นตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุใดเพราะหลักของพระพุทธเจ้าหรือหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบอลมะครูของพวกเรานี่ท่านยืนยันอย่างนี้ว่าตายแล้วไม่สูญนะเพราะพระ อ, องค์ได้ตรัสรู้ธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่พวกเราจะต้องฟังต้องศึกษาจากนั้นก็จนถึง จตูป ป, ปาตายานอาสาวกกายานที่ผมเคยพูดเคยบอกกล่าวมาหลายครั้งอันนั้นคือวิถีหรือวิธีการทําของพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราแต่ทีนี้เมื่อพระองค์ได้ตัดจรู้รมแล้วแต่นี้ท่านมันแนะนําสั่งสอนอย่างไรให้แก่พวกเราเขั้นตอนต่อไปเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะพิจารณาอะไรเนี่ยนี่แหละทีนี้พระพุทธองค์ก็สอนเพราะว่า แนวของพุทธะนั้นให้คล้ายเขาบอกพอรู้ตัวหนึ่งแล้วปุ๊บปุปุ๊บปุ๊จวนสว่างท่านก็ได้ตัดสรู้เป็นแนวของพุทธะแต่ทีนี่แนวของสาวกะทินพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้พวกท่านทั้งหลายเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วให้พิจารณาฮะให้ใช้ปัญญาวิปัสนาสมาธิคือทําจิตใจให้สงบปัญญาคือพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลเรียกว่าวิปัสนา สมาธิวิปัสนาสมาถะและวิปัสนาอั น, นเดียวกันสมาถะคือสมาธิ <feather edo> วิปัสนาคือความนึกคิดใช้ปัญญาพิจารณาเอออันนี้ก็คือสมถะและวิปัชนาถ้าจะว่าไปแล้วสมาถะคือทําจิตให้สงบวิปัชนาก็คือความนึกคิดใช้ปัญญาไตร่ตรองเหตุและผลเออสรุปแล้วก็คือวิปัสสนกเออพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดคือความนึกคิด ขึ้นมาก่อนเ อ, อเมื่อนึกคิดขึ้นมาแล้วแต่ความนึกคิดนั้นจะต้องมีสมาธิเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้กำกับจิตใจไม่หิวไม่โหยอย่างที่ว่าเ อ, อเหมือนกับเราเ อ, อเดินไปที่ไหนไปทําการทํางาน เ, เมื่อกินอิม่มนอนหลับสบายแล้วไปนั่งทํางานจิตใจของเราก็มั่นคงในหน้าที่การงานที่จะต้องทําเรื่องอะไร มันก็จะเป็นชิ้นไปนอั น, น, นแต่ถ้าว่าจิตใจของเราเออมันหิวห่วยอยู่เออมันหิวมันพวักพวบนมันมีเรื่องราวเออทําสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือสิ่งที่เราต้องการยังไม่สําเร็จเราจะมานั่งทําการทํางานในโต๊ะตัวนั้นมันก็ไม่เป็นสมาธิในการทํางานพิบิตถูกถูกคิดยิ่งคิดตัวเลขเข้าไปแล้วเออยิ่งไม่น่าวไว้ใจในจิตจิตใจในขณะนั้น เพราะจิตใจของเรามันไม่เป็นหนึ่งเดียวซะก่อนแต่เมื่อจิตใจของเราได้รับความสงบเยือกเย็นแล้วเรานำมาพิจารณาอ ะ, อะไรใจของเราก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวรู้แจ้งเห็นจริงพิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลพิจารณาถึงธาตุสี่พิจารณาถึงดินน้ำดูให้เป็นดินน้ำลมไฟหรือเป็นพิจารณาถึงโครงกระดูกของร่างกายก็เป็นไปได้ทั้งนั้น เพราะเหตุใดเพราะสติของเราดีใจของเราไม่หิวโหวยด้วยอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเป็นเครื่องบัญชาของจิตใจเพราะนั้นสิลค์ก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันไปด้วยกันคือมรรคแปดตัวนี้ย้อนไปถึงมรรคแปดะที่ผมว่าสินสมาธิปัญญานี่แหละสินคือความประพฤติทางกายวาจา เป็นมาด้วยดีไม่พิจกกังวลในการเป็นอยู่คล้องตอนเองเมื่อความไม่กังวลแล้วจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วเออสัมมาทิฏฐิคือปัญญาตัวนี้กับพิจารณาทํำยังไงจึงจะเห็นชอบไตรตรองด้วยเหตุและผลเห็นชอบยังไงเพราะพระองค์บอกว่าอย่างพระพวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชพระอุปชาก็สอนว่าเกซ่าโลมานะฆาทัานตาต า, ตาโจ เกษาผมโรมาผลนาคาเลพันตาฟันตะโจหนังให้พวกท่านพิจารณาดูให้ดีเกษาคือผมมันอยู่บนศรีรษะของพวกเราให้แยกแยะดูขี้คลายดูกําหนดดูมันสวยงามอย่างไรที่ตรงไหนขี้ออกมาดูถอนออกมาดูถอนทั้งหมดออกมาดูมันงามที่ตรงไหน ขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันถอดออกมาดูเอามาวางไว้แล้วมันงามที่ตรงไ่ะฟันก็เหมือนกันถ้ามันอยู่ในปากของเราถอดออกมาดูทุกชี้ทีละชี้ละชี้จนถอดทั้งหมดแล้วมาวางไว้ามาดูแล้วมันงามที่ตรงไหนเอาเข้าไปในปากแล้วทําไมเราจริงไปลุ่มหลงอันนี้คือเราต้องแยกแยะ คำว่าแยกแยก่ทําให้ก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงมันงามที่ตรงไหนนี่แหละหลักธรรมที่บอกวิปัสนาวิปัสนาคือวิปัสสนึกให้นึกคิดซะก่อนในเมื่อเรานึกคิดไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้ววิปัสนามันจะเกิดขึ้นมาเองีนใครถ้าว่ารู้แจ้งเห็นจริงมันเป็นจริงอย่างนั้นเราไม่น่าติดหน้าค่องเพราะเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว ผมก็เท่านั้นขนเล็บวันเอี่ยถลกหนังออกมากองก็เท่านั้นเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ในร่างกายของเราก็เท่านี้ถ้าว่าไม่มีหนังหุมเอาไว้พวกเรานึกมโนภาพดูกันแล้วกันทะลกหนังออกมาเมื่อไหร่กระแดงเถืออเมื่อนั้นแล้วก็ต่อไปก็มีมะแรงโบงมะแรงวันเติมหึงเข้ามาอีกถ้าผ่าจำแหลกเข้าไปในท้องมีแต่ปอดมีแต่ลำไส้เต็มอยู่ในท้องของเรา แน่นเอียดเหมือนกับกระเป๋าหนังหรือกระเป๋าของเราเดินทางอย่างนั้นอ่ะยัดอะไรเข้าไปจนแน่นเอียดท้องของเราก็เหมือนกันมีตับมีหัวใจมีลำไส้มีปอดอยู่ในนี้แล้วก็มีกระดูกชี้โครงหุ้มเอาไว้เพื่อมาให้ถ้าไม่มีชี้โครงหุ้มเอาไว้อะไรมากระทบมันจะถึงตับแตกปอดแตกลำไส้แตกเพราะเหตุไรเพราะมันมีอะไรกระแทกเข้ามาอันนี้มีกระดูก ชี้โครงหุ้มเอาไว้มันมากระแทกอย่างแรงมันก็ยังมีกร ด, ดูกชี้โครงกันชนเอาไว้ก่อนเหมือนกับรถมีกันชนลักษณะอย่างนั้นพวกเราคิดดูให้ดีเป็นอย่างนั้นใช่ไหมร่างกายของเรานี่แหละแล้วความมั่นคงถาวรนั่นจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่เราต้องเปรียบเทียบไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราล้มหายตายจากมาเป็นลําดับลําดับแล้วพวกเราจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ อันนี้แหละคือทำคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรนะตั้งแต่เริ่มสมาธิกำหนดลมหายใจมีสติสัมปชัญญะกำหนดลมหายใจเข้าออกจนจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจากนั้นก็จิตไม่หิวโหวยในอารมณ์ต่างๆเมื่อถอนออกมาจากสมาธิแล้วนามาพิจารณาทางวิปัสสนาคืออันดับแรกคือสงบเมื่อสงบคือสมาธิ หรือสมมติแต่นี่เรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลให้เห็นตามความเป็นจริงจนถึงร่างกายของเราเนี่ยเป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมถามตัวผู้รู้คือใจของเราใจของเราก็มันไม่รับมันก็ต้องยอมรับเพออราะเหตุใดเพราะมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราตลอดไปอย่างนั้นใช่ไหม ว่าร่างกายของเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมถามใจตัวเองเถอะใจของเรามันก็ยอมครับเพราะว่าในร่างกายของเรานี่มีกายกับใจเพระพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใจใจอย่างที่ผมพูดเปลืองตนศิลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสิ่งห้านรวมลงมาคือความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็รวมมาถึงใจถ้าว่าใจของเราอไม่คิดมันก็ไม่ทํา ไม่คิดซะ ก, ก่อนมันก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นมันคิดไปในทางชั่วซะ ก, ก่อนมันจะ อ, ออกไปทางกายมันคิดไปทางชั่วซะ ก, ก่อนเนี่ยพูดออกทางวาจาไปในถ้าคิดไปทางดีซะ ก, ก่อนพูดลงไปมันก็เป็นทางดีทําออกไปมันก็ทางดีมันออกไปจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจากนั้นความจิติปฐานสีก็อีกเหมือนกันมันออกไปจากใจอีกตอนนี้ทําไมเห็นพอมาถึงจุดนี้อีกเดี๋ยวสมถะคือคือทําจิตให้สงบวิปัสนาติคือความนึกคิด มันออกไปจากใจอีกเหมือนกันใจของเรานึกคิดให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ย้อนมาหาใจถึงใจเอ้ยใจใจอย่าหลงนใจอย่าหลงร่างกายนใจร่างกายของเราเนี่ยถึงเราจะทนุถนอมเนี่ยเลี้ยงดูดีขนาดไหนกินอิม่มหมีพีมันขนาดไหนผมผ้าให้ดีขนาดไหนอาบน้ําชำระกายให้ดีขนาดไหน ดูแลดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะใจนะนะใจให้เข้าใจนะใจนะใจอันนี้คือทำความเข้าใจในใจอย่างนั้นจริงไหมใจให้ถามใจตัวเองเถอะเพราะในตัวของเรามีกายกับใจอาศัยกันอยู่เดี๋ยวนี้ใจของเราไปหลงร่างกายเมื่อหลงร่างกายตัวเองแนละ้วไปหลงร่างกายของคนอื่น เ, เห็นว่าเสร็จสวยงดงามแล้วก็ไปหลง ว่าร่างกายคนอื่นนะแอบเป็นของตัวเองแต่ขนาร่างกายของตัวเองแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาดูให้ดีสิจริงไหมแอบในเมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดภายนอกเงินคำํำสักสมบัติเอสามีภรรยาหรือว่าใครๆก็ตามจะมาเป็นตัวตนของเราถูกไหมใจถูกต้องไหมใจถ้าใจคิด จะยิดอย่างนั้นจะเรื่องจริงไม่ใจหรือเป็นเรื่องหลอกตัวเองไม่ใจสิ่งเหล่านี้เราต้องถามใจคือตัวผู้รู้ของเราในเมื่อตัวผู้รู้มีสมาธิดีและก็มีปัญญารู้แย้งเห็นจริงอย่างที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพธธุทธเจ้าบอกว่าให้เห็นตามความเป็นจริงแง อ, อริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคแงสติปฐานสีกายเวทนาจิตธรรมแงมรรคแปด สมาธิิสมาสันกับโปรจนถึงสมาสมาธิไตรลักษณอนิจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาใช่ไหมใจแอมมันย้อนไปถึงจุดนั้นอีกเลยพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วเท่นี่นานแหละมันปล่อยวางที่ไหนมันปล่อยวางที่ใจพราะเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เกิดนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจของเราก็ออกจากวงของวัฏฏะตะก่อนเราอยู่ในวงวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับมดเอไต่ขอบกระมังอย่างนั้นนะอมันก็คิดว่าเป็นของใหม่อยู่เลยเกิดมาชาตินี้ก็ลืมชาติที่แล้วผลที่สุดเกิดมาชาติหน้าก็ลืมชาตินี้เกิดมาอีกชาติหน้าก็ลืมอีกชาติหลังอีก ว่าตัวเองเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆที่แท้ก็คือมันวนอยู่ในวัฏสงสารเกิดเวียนไหวตายเกิดเป็นกู้เป็นคนเป็นคนทุกข์คนยากคนหูหนวกตาบอดเน่ยถ้าทำกรรมชั่วก็ไปเกิดตกนร ก, มกหมกไหมถ้าทํากรรมไม่ถึงขนาดั้องก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ได้ฉานช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นดวงวิญญาณดวงนี้เพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าถึงจะเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเหมือนกับ งดไต่ขอบกละมังจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ที่ไหนเอจากนั้นเราก็พิจารณาดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราจะไปเดินอยู่ขนาดไหนเราก็ควรจะหาทางแวะออกจากขอบกระมังไปสู่แดนอมตะให้จิตใจของเราออกจากวงวัฏฏ์สงสารอให้ใจของเราออกจากวงของวัฏฏบุญ ไปสู่อีกมิติหนึ่งคือเ่ธรรมธาตุให้รู้เห็นตามความเป็นจริงระ ว, วธรรมธาตุเมื่อออกไปจุดนั้นแล้วนี่นั่นแหละใจของเราเป็นธรรมใจของเราไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหพะพอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแล้วไม่คิดจะมาเกิดในวัฏฏะสงสารแล้ว คิดดูวัะสงสารเมื่อไหร่หาความสุขไม่ได้เท่าเม็ดนาขาลิ้นใดเสียหนมันมีแต่ความทุกเท่านั้นมีแต่อเิจจังเท่านั้นมีแต่ทุกขังเท่านั้นจะเป็นตัวตนได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งหมดในเมื่อเราปฏิเสธอย่างนั้นใจของเราก็รู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวกิเลส นี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์นะบวชมาในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าที่พวกเรามุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติธรรมขอให้พวกเราตั้งใจเอาจริงเอาจั ง, อ, จงอย่างที่วันนี้ผมได้พูดเรียงลำดับให้ฟังตั้งแต่สิมจนถึงอนัตตาเอาผมก็ไม่เคยได้ยิน ได้ฟังจากครูบาอาจารย์เหมือนกันที่เลียงระดับอย่างนี้แต่ว่าผมไน้ิเคมาแล้วเพื่อให้หมู่ได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ได้นำประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วก็ลงมาอยู่ที่ใจของพวกเราทั้งหมดอีกอย่างเก่าแล้วก็พวกเราอย่าสับสนที่เราได้อ่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ศีลจนถึงอนัตตามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นดอกกุญแจดอกสาคัญอย่าลืม ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้รมที่โคลนต้นโพวันนั้นท่านตัดจรู้อะไรท่านกําหนดอย่างไรท่านรู้อะไรเมื่อท่านได้ตัดรู้แล้วอันนั้นคือพุทธะแต่จัานก็ได้นำํำทำคําสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ศึกษาท่านให้พิจารณาร่างกายหเห็นตามความเป็นจริงได้เมื่อเห็นร่างกายเเห็นตามความเป็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่น ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจของตนเองอีกต่างหาก ใ, ใจของเราให้ความสําคัญเรื่องนั้นให้ความสําคัญเรื่องนี้ไปยึดเรื่องนั้นไปยึดเรื่องนี้เข้ามาสู่จิตใจใจของเราก็เลยเป็นทุกข์ดวยกิเลสราคะโทสะโมหะจุงเฉลิมวุ่นวายไปหมดตอนนี้เราพิจารณาดูเราไปยึดอะไรขนาดใจร่างกายของตนเองแท้ยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดอะไรเข้ามาอยู่ในใจของเราอีกละ่ะเนี่ยเกิดความเบื่อหน่าย ละทิ้นทิ้งอยู่ที่ใจเบื่อหน่ายที่ใจคลายที่ใจหลุดพ้นที่ใจเพระดันขอให้พวกเราทุกๆท่านนะธรรมะขั้นสูงสุดนี่คือตัดใจตัดความตัดกิเลสตัดคือตัดใจตัดกิเลสราคะโทสะโมหันมันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะไปยินในฟังในวันนี้ผมคิดว่าผมแนะนาในทางที่ ทุกต้องตามแนวแถวที่ได้ปฏิบัติมาและก็ขอให้พวกเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นสู่คุณงามความดีการพูดการแสดงธรรมและการแนแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลาขอยุติในการพูด